คนเยอะลังหลากหลายธรรมะมันไม่เสมอกันงา น, นธรรมะแตกแบ่งไปแป่งมาช่วงหลังๆโยมมาใหม่ๆเยอะธรรมะหลวงพ่อเปลี่ยนรู้สึกไหบางคนบอกอยากฟังธรรมะที่ละเอียดละเอียดลยึกซึ้งอย่างนี้ยคนฟังไม่ค่อยมีธรรมะจริงๆแนละ้วเราฝึกฝนอบรมตัวเองไป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 ความสงบที่แท้จริงมันจะมีความสุขความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนความสุขอย่างโรกๆนะได้มาแล้วก็เสียไปยย่งชิงกันนะเหน็ดเหนื่อยแทบตายเลยตได้มาแป๊บเดียวสุขอยู่แป๊บเดียวนะเนดี๋ยวก็เบื่ออะไรเงี้ยไปย่งกันใหม่มันเราอยากได้เข้าได้ของหาเงินไปซื้อมานะมีความสุขแป๊บเดียวเดี๋ยวอยากได้อันหออีกลว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 ลอกคำพีลงไปในไม้ไผ่ไม้ไผ่เป็นซี่ๆหนักนะลอกๆไปลอกอยู่ตั้งหลายปีนะคัดคำพีเสร็จแล้วก็ผลข้ามฝั่งไปญี่ปุ่นเรือมันโดนพายุมันหนักคำพีมันหนักมากโดนพายุเรือมันเพียบนกลับจานเรือมันเอาไม้ไผ่นั้นโยนน้ำไปเลยท <c oughs> ัานก็กลับมานั่งคัดใหม่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 ของเราก็หายใจเข้าก่อนหายใจเข้าหายใจออกกลับข้างกับที่ท่านบอกนะท่านบอกหายใจออกก่อนหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าพอเราหายใจเข้าก่อนหายใจเข้าแล้วยังกาหนดอีกต้องรู้ลมกระทบจุดนั้นจุดนี้นะสามจุดสี่จุดห้าจุดหกจุดเจ็ดจุดนะมีกระทบจุดน้นจุดนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอก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 ไปเสียบตะกร้าเบอร์สาม่เมื่อกีย้ใจลอยไปใจมันหนีไปนะเบอร์19ใจลอยละรู้สึกไหมหนีแว บ, บไปนะเบอร์เจอย่าบังคับตัวเองนะบังคับตัวเองเยอะไปนะเบอร์18ใจลอยรู้สึกไหมเนี่ยนะดูอย่างนี้นะหัดดูของจริงไปสงสัยต้องเล่นแบบนี้แล้ว <c oughs> ดูจะทํำยังไงเลยเยอะเกิน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 เออบอร์ห้าสนะ้โต้องให้โลงพ่อจาโบเป็นไงโบนั่งเมื่อกี้ก็สังเกตเห็นมีฟุ ง, ฟงสันน้อยอยู่เจ้าค่ะก็ไปวัดป่าเขาน้อยมาสัก2อาวันเจ้าค่ะหลวตาผนึกไปไหมไปเจ้าค่ะแต่ว่าท่านเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเป็นเกี่ยวกับปอดนะคะ